ที่หกพิกุลเทพสถิตครั้นสมพานวัดป่ามะม่วงรับเศยสร้อยทองคำจากสตรีผู้นั้นไว้ครบสามวันเช้าวันรุ่งขึ้น ขณะที่ท่านกําลังฉันพัตตาหารอยู่ที่กุติชั้นล่างสาวรุ่นรุ่นสองคนก็เข้ามาในกุติสามเณรเฉลียวกําลังรอรับใช้ท่านอยู่ห่างๆเห็นสองสาวก็ถึงกับตาเป็นประกายวาววับเชิญ น, นั่งก่อนจ้ะท่านสมพานกําลังฉันเช้าอยู่เอแต่ว่าโย ม, มาหาใครอาตมาหรือว่าท่านสมพานสามเณรหนุ่มสําคัญตนผิดเราสองคนจะมาหาท่านสมพานวัดป่ามะม่วงจ้ะ หนึ่งในสองสาวตอบโยมมาจากไหนจ๊ะมีธุระอะไรกับสมภารหรือเปล่ามาจากปักน้ำโพ ค, ค่ะมีธุระกับท่านสมภารธุระสำคัญมีอะไรหรือหนูพระเจริญรวบช้อนและซ่อม ท, ทั้งที่เพิ่งฉันไปได้สามคำท่านไม่อยากให้ใครมารอขณะกำลังฉันยกแก้วน้ำขึ้นดื่มแล้วจึงบอกสมเณรให้เก็บสำรับคือหนูกับน้องสาวมาจากปักน้าโพ ค, ค่ะ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 พ่อแม่ยังอยู่ใช่ไหมสมภารวัดป่ามะม่วงถามอยู่แต่พ่อคะ่ะแม่ตายหลายปีแล้วและพ่อกําลังจะมีเมียมใหม่หนูกับน้องก็เลยคิดจะพากันหนีพ่อไปอยู่กับป้าที่เชียงรายย่านะหนูทิ้งพ่อทิ้งแม่บาปกรรมมากนะต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่สิหลวงพ่อขอบอกนะว่าทองเส้นนี้ให้หนูนําไปขายเอาเงินมาเลี้ยงพ่อแล้วหนูจะเจริญก็เขาจะมีเมียมใหม่นี่คะ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 ท่านสมพานจำฉันกับพวกบ้านได้ไหมจ๊ะโยมจะมารับสายสร้อยที่ฝากไว้ใช่ไหมอัตมาเพิ่งให้เข้าไปเดี๋ยวนี้เองแต่เอาเธออัตมาจะเอาของโยมยายให้แทนก็แล้วกันท่านรีบบอกด้วยกเกรงสองผัวเมียจะคิดว่าท่านยักยอกทองของเขาเปล่าเจ้าเปล่าฉันไม่ได้มาทวงคืนก็ฉันบอกแล้วไงว่าถวายท่านสตรีนั้นยืนยันเจตนาเดิมอย่างนั้น ห, หรือ อาตมาก็นึกว่าโยมจะมาทวงคืนเส อ, อีกแล้วนี่โยมมาจากไหนล่ะผมกับพวกบ้านมาจากพิจิตครับพวกบ้านเขาจะมารายงานท่านสมภารสามีของนางเป็นคนต่อรายงานเรื่องอะไรล่ะโยมอุตส่าห์มาจากพิจิตเชียวหรือทานข้าวทานปลากันมาหรือยังเรียบร้อยแล้วจ้ะฉันกับพ่ออีหนูจะมากราบเรียนท่านว่าวันที่ท่านกรุณารับทองไว้พอฉันกลับถึงบ้าน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 ท่านสมภารว่าจะจริงอย่างที่แม่แกพูดไหมจ๊ะนางถามพระเจริญอัตมาก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็คงต้องคอยดูกันต่อไปโยมก็ต้องหมั่นมาดูนะว่าจะจริงหรือไม่จริงต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองจ้แล้วถ้าฉันร่ำรวยจริงอย่างที่แม่ว่าฉันจะมาช่วยท่านสมภารสร้างศาลาขอบใจจ้าโยมเมื่อกี้มีผู้หญิงสองคนที่พี่น้องเข้ามาบอกอัตมาว่า เทวดาไปเข้าฝันบอกให้มารับของขวัญจากสมภารวัดป่ามะม่วงที่มีคนมาถวายเมื่อสามวันก่อนอัตมาก็เลยให้สร้อยทองเส้นนั้นไปเขากาลังจะทิ้งพ่อไปอยู่ที่อื่นอัตมาก็ห้ามไว้บอกให้เอาทองไปขายเอาเงินมาเลี้ยงพ่อเขาก็รับปากรับคำยมเอาบุญไปนะสาธุท่านสมภารท่างใจบุญเหลือเกินฉันขออนุโมทนาจ้ะ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 เพื่อนำมาตรวจสอบกับบทสวดมนต์ฉบับประหาเมตตาครอบจั ก, กรวาลที่เทวดาชวนแม่ชีสวดทุกคืนฉันเพนแล้วนายหล่อจะเอารถมารับตั้งแต่รถตกเหวคราวนั้นนายหลอก็ร่ารวยขึ้นกว่าแต่ก่อนและสามารถซื้อรถคันใหม่ได้โดยไม่ยอมรับเงินช่วยเหลือจากท่านแม้แต่บาทเดียวส่วนคันเดิมยังคงค้างอยู่บนยอดยางที่ขึ้นอยู่ในเหวอเาเภอแม่สอดเพราะไม่สามารถเอาขึ้นมาได้ อีกประการหนึ่งรถก็พังยับเยินเกินกว่าจะซ่อมได้เจ้าของจึงจำใจต้องทิ้งไว้อย่างนั้นก่อนที่ท่านจะออกจากกุฏิแม่ชีก็มารายงานว่าหลวงพ่อเทวดาบอกฉันว่าหลวงพ่อจะไปบางกอกวันนี้เทวดานี่ชักจะยุ่งมากเกินไปเสียแล้วเที่ยวยุ่งเรื่องชาวบ้านเข้าไปทั่วเมื่อเดือนที่แล้วก็ไปเข้าฝันสองพี่น้องบอกให้มารับของขวัญที่สมภารวัดป่ามะม่วง ท่านแกลงบ่นไปอย่างนั้นเองรู้ว่าเทวดาต้องได้ยินตอนแรกฉันก็รู้สึกลำคาญเช่นเดียวกับหลวงพ่อนั่นแหละแต่พอเขาให้เหตุผลว่าที่ต้องทำเช่นนั้นเพราะต้องการช่วยหลวงพ่อสร้างบารมีตัวเขาเองก็ต้องการสร้างบารมีด้วยฉันก็เลยเอาใจช่วยนี่หลวงพ่อกำลังจะไปบางกอกใช่ไหมแม่ชีก้อนทองถามถูกแล้วยมเข้านิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์ เขาให้ไปพักที่วัดสะเกดก็นี่แหละที่ฉันก็มาก็จะเพื่อกราบเรียนหลวงพ่อเรื่องนี้คือเทวดาก็ให้มาบอกว่าไม่ต้องไปซื้อหนังสือที่สนามหลวงบทสวดมนต์ที่เทวดามาสอนฉันสวดมีอยู่ในหนังสือพุท ธ, ธาภิเศษจะบับสมเด็จพระสังฆราชแพ่ที่สนามหลวงไม่มีขายให้หลวงพ่อไปขอยืมจากท่านพระครูประหลัดเสงี่ยมอัตมาไม่รู้จักท่าน เทวดาบอกหรือเปล่าท่านอยู่วัดไหนบอกจ้ะเทวดาบอกว่าท่านอยู่วัดสุทัศน์หลวงพ่อจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาหาซื้อที่สนามหลวงแม่ชีกราบเรียนสมภารตามที่เทวดาบอกงั้นก็ขอบใจที่บาร์บอกฝากขอบใจเทวดาด้วยอาตมาไปละแล้วท่านจึงเดินไปขึ้นรถที่นายหล่อติดเครื่องยนต์รออยู่นายหล่อพาพร ะ, พร ะ, จะเจริญมาถึงวัดสระเกศ ต, ตอนหัวข่า พระหนุม่มตั้งใจว่าพรุ่งนี้หลังจากเสร็จพิธีที่เขานิมนต์ท่านไปเจริญพระพุทธมนต์แล้วก่อนกลับวัดท่านจะแวะไปที่วัดสุทัศน์ตามที่เทวดาให้แม่ชีมาบอกคืนนั้นพระเจริญได้มีโอกาสสนทนากับสมเด็จวัดสะเกดสมเด็จท่านจำนานในวิชาโหราศาสตร์ได้เมตตาสอนวิชาโหราศาสตร์ให้ท่านหากก็สรุปในตอนท้ายว่าโหราศาสตร์มันก็สู้พุทธศาสตร์ไม่ได้หรอก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 ใจจริงนั้นมิปรารถนาจะเรียนโหราศาสตร์แต่เมื่อระลึกถึงคำสอนของหลวงพ่อเดิมที่ว่าผู้ใหญ่ให้อะไรต้องรับไว้ก่อนอย่ายิงโยโสเป็นแมงป่องท่านจึงต้องรับไว้ก่อน เช้าสมเด็จวัดสะเกตได้รับนิมนต์ไปงานมงคลสมรสด้วยและพระสงฆ์อีกเจรูปที่ไปร่วมในงานเจริญพระพุทธมนต์ล้วนเป็นพระหนุ่มที่อายุพรรษาน้อยกว่าพระเจริญเหตุนี้สมภารวัดป่ามะม่วงจึงได้นั่งเป็นลำดับที่สองต่อจากสมเด็จวัดสะเกตคู่บ่าวสาวที่นั่งหมอบฟังการเจริญพระพุทธมนต์อยู่เบื้องหน้าพระสงฆ์ทั้ง9้ารูปนั้นเพียงมองแวบเดียวพระเจริญก็รู้ได้ทันทีว่า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 เมื่อกี้พระเดชพระคุณให้พรคู่บ่าวสาวหรือขอรับก็ใช่นะซิฉันว่าอะไรผิดหรือสมเด็จถามเสียงเบาว่าไม่ผิดหรอกขอรับแต่ดูผิดผิดยังไงพระราชาคณะชั้นสมเด็จออกกังขาผิดตรงเข้าใจผิดนะขอรับคือพระเดชพระคุณเข้าใจว่ากำลังให้พรแก่คู่บ่าวสาวความจริงแล้วงานนี้ไม่มีเจ้าบ่าวลองดูใหม่อีกทีสิขอรับ สมเด็จจึงหันไปมองคู่เบ่าวสาวอย่างพินิษ์พิจณาแล้วออกปากว่าจริงของเธอเสียแรงที่ฉันเป็นหมอดูแต่ดูผู้หญิงเป็นผู้ชายไปได้สงสัยจะต้องเลิกเป็นหมอดูเสียแล้วกลับไปนี่จะไปเผาตำราทิ้งท่านพูดปลางหัวเราะเบาๆหันไปมองคนคู่นั้นอีกครั้งแล้วกล่าวว่าแต่เขาแต่งตัวได้แนบเนียนดีนี่นะดูซิใส่เสื้อนอก หวีผมเรียบแป่เลยคนสมัยนี้มีอะไรพิลึกพิลึกนะนั่นสิขอรับกระผมก็เป็นห่วงอยู่นี่เธอห่วงอะไรเขาล่ะห่วงว่าเขาจะไม่มีบุตรสืบสกุลนะขอรับพระหนุ่มตอบโลกเรานี้มันก็มีอะไรแปลกๆขึ้นทุกวันพวกเราอยู่กันแต่ในวัดเลยตามเขาไม่ค่อยจะทันฉันว่าอีกหน่อยคงจะมีผู้ชายแต่งกับผู้ชายบ้างหรอกนะ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 จากนั้นคู่แต่งงานและญาติโยมช่วยกันประเค้นพัตตาหารแด่พระสงฆ์ทั้ง9้ารูปเสร็จพิธีแล้วพระเจริญจึงกราบลาสมเด็จเพื่อจะกลับวัดขึ้นรถแล้วก็นึกได้ว่าจะต้องไปหาพระครูประหลัดสงเสงี่ยมจึงบอกนายหล่อว่าช่วยแวะที่วัดสุทัศน์หน่อยท่านจะไปหาท่านพระครูประหลัดสงเสงี่ยมหลวงพี่รู้จักท่านหรือครับไม่รู้หรอกเข้าไปถามหาคงไม่ยากจะไปยืมหนังสือท่านหน่อย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 พรุ่งนี้ช่วยเอามาคืนผมด้วยครับผมจะรีบนำมาคืนเร็ ว, รวที่สุดพระหนุ่มรับคำหนักแน่นทันทีที่กลับถึงวัดพระเจริญก็ให้สามเณรเฉลียวไปตามแม่ชีก้อนทองมาที่กุฏิของท่านหลวงพ่อมีอะไรจะใช้ฉันหรือจ๊ะแม่ชีถามหลังจากกราบท่านแล้วมีสิไม่งั้นจะให้เนรไปตามทำไมคืออย่างนี้นะ อตมาได้หนังสือสวดมนมาตามที่เทวดาบอกแล้วมีอยู่เล่มเดียวจริงๆท่านให้ยืมมาวันเดียวพรุ่งนี้ต้องนําไปคืนแต่เช้าจึงอยากจะทดสอบว่าที่เทวดาสอนโยมสวดน่ะจะตรงกันไหมอ้าวไหนว่าไปสิท่านเปิดหนังสือหน้าหนึ่งแล้วให้แม่ชีสวดให้ฟังแม่ชีจึงเริ่มต้นสวดช้าๆว่านะโมตัสสะภะคะวะโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวํมเมสุตังเอกังสะมะยังภะควาสาวัตถิยังวิหรติเชตะวะเนอานาธิปันธิกัสสะอาราเมขณะที่แม่ชีก้อนทองสวดไปอย่างช้าช้านั้น พร ะ, ะเจริญดูตามไปด้วยแม่ชีสวดได้ตรงกับในหนังสือทุกตัวอักษรซึ่งช่วงแรกๆเหมือนกับเมตตานิสัง ส, สูตรต่อจากนั้นก็ไม่เหมือนและสมภารวัดป่ามะม่วงก็ไม่เคยสวดมาก่อนทั้งไม่เคยได้ยินผู้ใดสวดนอกจากแม่ชีก้อนทองผู้นี้โชคดีที่ท่านหานังสือมาได้โดยการช่วยเหลือของเทวดาอย่างน้อยก็เป็นหลักฐานว่า บทสวดมนต์มหาเมตตาครอบจักรวาล น, นี้พวกเทวดาเขานิยมสวดกันพระหนุม่มคิดว่าจะต้องคัดลอกเก็บไว้เพื่อนำไปพิมพ์แจกญาติโยมในโอกาสต่อไปนึกขอบคุณท่านพระครูประหลัดเสงี่ยมที่ให้ยืมหนังสือพุทธาพิเศษเล่มนี้มาทำให้ท่านมีหลักฐานที่เชื่อถือได้แม่ชีก้อนทองใช้เวลาสวดถึงสามชั่วโมงเต็มทั้งที่บทสวดมีเพียงสอหน้ากระดาษ ของหนังสือขนาด8หน้ายกและมีข้อความซ้ำๆกันทำให้ง่ายต่อการจดจำวักสุดท้ายจบลงด้วยข้อความว่าเมตตาพรมมะมวิหาระภาวนานิธิตาเก่งมากโยมไม่ผิดเลยสักตัวเดียวพระหนุ่มออกปากชมก็ฉันสวดกับเทวดาทุกคืนแม่ชีว่าอาัตามายอยากคุยกับเทวดาแล้วสิ โยมช่วยบอกหน่อยได้ไหมได้จ้ะคืนนี้ฉันจะบอกเทวดาให้แต่เขาจะคุยกับหลวงพ่อหรือเปล่าฉันไม่รู้นะแม่ชีพูดตรงไปตรงมาตามความเคยชินไม่เป็นไรช่วยไปบอกตามนี้ก็แล้วกันเอาละโยมกลับไปที่ศาลาได้อัตมาจะขึ้นข้างบนละมานี่ยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยเดี๋ยวคืนนี้อัตมาจะคัดลอกบทสวดนี้ไว้พรุ่งนี้จะได้นาไปคืนท่าน รุ่นี้หลวงพ่อจะเข้าบางกอ อ, กอีกหรือแม่ชีก้อนทองถามเข้าสิก็สัญญากับท่านพระครูประหลัดเสงี่ยมไว้ว่าจะ น, นําหนังสือไปคืนท่านอาตมาเป็นคนรักษาสัจจะพูดแล้วก็ต้องทําตามที่พูดหลวงพ่อเดิมสอนไว้ว่าพูดจริงทําจริงผู้หญิงรักท่านพูดเล่นแต่คนฟังเข้าใจว่าท่านจะสึกจึงถามหลวงพ่อคิดจะสึกหรือแม่ชีใจขอไม่ดี หากสม่านจะศึกจริงๆก็จะขัดขวางกันถึงที่สุดคิดไม่ได้หรือไงอัตมายังหนุ่มยังแน่นท่านแกล้งยัวไม่ชีวัยใกล้เก้าสิบฉันขอนิมนต์เธอจ้าพระดีๆอย่างหลวงพ่ออย่าได้ศึกเลยอยู่ช่วยงานพระาศาสนาไปนานๆเธออัตมาก็อยากอยู่หรอกโยมแต่โยมอย่าลืมนะ ว่าคนที่เขาหล่อน้อยกว่าอัตมายังสึกกันไปตั้งมากมายแล้วนับประสาอะไรกับคนหล่อมากอย่างพระเจริญแม่ฉีฟังแล้วก็พูดอะไรไม่ออกเพราะสิ่งที่สมภารพูดมานั้นจริงเสียยิ่งกว่าจริง